วันนี้ก็วันที่สิบตุลาค ม, มอีกเพียงแค่สิบเจ็ดวันนะก็จะถึงวันออกพรรษานะหือจะพูดอีกอย่างก็สิบเจ็ดวันที่เราจะอยู่ในครรษานในช่วงส า, ามาเดือนก็ผ่านมาสองเดือนกว่าเลยแค่สิบเจ็ดวันก็ออกครรษาละก็เวลาก็ ร่วมไปร่วมไปเนาะเหมือนถ้าบทพิจารณาของบรรพชิตนะวันคืนร่วงไปร่วมไปนะบัดนี้เราทําอะไรอยู่ก็ก็ทําให้พวกเราได้พิจารณาตัวเองเนะีอยู่เสมอนะเวลาวันคืนร่วมไปร่วมไปเนาะชีวิตของเราก็เรียกว่าน้อยลงไปน้อยลงไป ทุกวันเหมือนกันนะไม่ใช่แต่วันมันร่วงนะแต่ชีวิตของเราก็ก็ลดน้อยลงไปทุกวันเหมือนกันนะให้เราพิจารณาตรงเนี้ยเราจะได้เนะตือนตัวเองว่าในแต่ละวันนะเราได้ทำสิ่งใดนะหรือว่าเวลาที่เหลือในชีวิตนี้นะเราอยากจะใช้เพื่อการไหน น่การใดที่มีคุณค่าแก่ชีวิตของเราเองหรือสิ่งใดที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีสาระสำคัญมากในชีวิตของเราเองเราจะลดจํานวนหรือว่าเราจะยุ่งกับมันให้น้อยลงไปได้หรือเปล่าแต่สิ่งใดที่มีคุณค่าในชีวิตของเราเราควรที่จะต้อง เร่งกระทาหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็พึงต้องต้องเตือนตัวเองเนาะนะดูทบทวนดูว่าอะไรคือคุณค่าแท้ที่เราที่เราต้องการนะอะไรคือสิ่งที่มันไม่ได้สำคัญมากนะแต่บางอย่างมันก็จาเป็นต้องทำมันก็ต้องทำนะ บางอย่างไม่จาเป็นต้องทำก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ชีวิตนัก บ, บวชของเราเนี่ยก็ยิ่งเรียกว่าตีกรอบมาให้เนาะตีกรอบมาให้ว่าบางอย่างที่เป็นเรื่องธทํมมาหากินเรื่องอย่างอื่นที่พระราาต้องทำเนี่ยเราก็จะไม่ต้องทำแล้วนะอันนี้มันก็เป็นความสะดวกนะเป็นความเอือ้อ อย่างมากนะว่าเราได้มีโอกาสที่มาอยู่ตรงนี้เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่มีค่ามากๆลมเนะี่ยยิ่งเราเป็นคนไทยอยู่เนี้ยยิ่งแบบโอกาสดีนะได้มีโอกาสคุยกับอย่างคนจีนนะอย่างที่เข้ามาเมื่อสักครู่เนะี่ยแค่การขอวีซ่าของเขาที่จะมาอยู่เมืองไทยสามเดือนเนะี่ยก็ หมดเงินเป็นหมื่นนะหมดเงินเป็นหมื่นหรือเคยได้คุยกับพิสุณีสิงคโปร์ที่เขาก็มาอยู่ที่วัเดเนะ่าในช่วงหนึ่งเขาก็เรียกว่าคิดคิดค่าอยู่เมืองไทยประมาณอันนี้คเฉพาะค่าทำบีซ่านะประมาณวันละเกือบสองร้อยบาทไดนะ้แต่เขาก็ ทำวีซ่าแบบนั้นเพื่อจะได้อยู่เมืองไทยได้นานขึ้นอันนี้เพียงแค่แบบการขอวีซ่าเพื่อให้ได้มีโอกาสอยู่นะอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมเนะี่ยสำหรับบางคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ลำบากหรือว่ายากหรือว่าต้องใช้เงินทอง ม, มากมายเนาะ แต่หลายคนเขาก็เขาก็ตั้งใจเช่นนั้นนะเพราะเขาอาจจะพราะเขาคงไต่ตองแล้วก็ทบทวนกับแล้วว่ามันคุ้มค่าเนาะคำว่าคุ้มค่านี่มันคือเงินที่เสียไปเวลาที่เสียไปนะกับโอกาสที่เราได้มาทําเช่นนี้มันคุ้มค่านะพวกเราเองก็เหมือนกันนะเราเอง เราเป็นนักบวชหรือว่าเรามามายู่วัดเราอาจจะไม่ได้เสียเงินทองนในการมาอยู่แบบนี้มากมายเสียนิดๆหน่อยๆแต่เราก็เสียไปอย่างหนึ่งนะคือเสียเวลาเสียโอกาสในการทำอย่างอื่นแต่ก็เราก็คงทบทวนแล้วว่าเวลาแล้วก็โอกาสในการทำอย่างอื่นน่ะนะ มันมีคุณค่าน้อยกว่าโอกาสที่เราได้มาบวชแล้วก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมใช่ไห ม, อ, มอันนี้เมื่อเราเลือกแล้วในโอกาสนี้เราก็ตั้งใจเนาะทำให้มันดีที่สุดเนาะทำในแต่ละวันให้มันดีที่สุดถ้าทำแต่ละวันให้มันดีที่สุดได้เวลาในช่วงเข้พาพรรษา หรือที่จริงแม้แต่ออกพรรษาแล้วในจริงมันก็ถ้าเราประพฤติทำจริงๆนะมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่หรอกนะมันมีแค่เพียงข้อวัดในการที่ออกไปที่อื่นได้ไม่เกินเจ็ดตรดาตีเฉยๆนะแต่ที่จริงเวลาที่เหลืออย่างอื่นเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนกันนั่นแหละนะอยากเข้าพรรษาหรือจะออกพรรษาก็ดีก็ ก็คล้ายๆกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าที่ของเราจริงๆคือคือการประพฤติพรหมจรรย์เนาะให้มันดีที่สุดนคะําว่าประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็ไม่ใช่อยู่แค่เราอยู่ที่วัดนะเราอยู่ที่ไหนนคะําว่าประพฤติพรหมจรรย์คือการรักษากายวาจาใจนะให้เป็นปกติ นะหรือว่าเป็นการขัดเกลากิเลสนะในจิตใจออกไปให้มันมากขึ้นนะกิเลสก็มันเกิดขึ้นทางทางใจนั่นแหละนะกิเลสมันเกิดขึ้นมามันก็มันก็ออกมาเป็นคาพูดใช่ไหมนะออกมาเป็นการกระทำนะอันนี้คือมันก็สอออกมาให้คนอื่นได้เห็น แต่ถ้าคนมีสติทันนะกิเลสก็เกิดขึ้นแค่ภายในนะพอเรารู้ทันเราก็เราก็ละกิเลสได้เสียเพียนะงแค่รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรนะไม่ต้องไปข่มบางทีเราจะข่มกิเลสนะเราเคยไม่เวลาพอบอกว่าสมมติเช่นนั่งปฏิบัติธรรมบางทีจิตมันจะไปตั้งตั้งไว้ผิดว่า เออไม่อยากให้มันคิดฟุ้งซ่านนะอยากให้มันสงบนะถ้าคิดแบบนี้แสดงว่าตั้งจิตไว้คิดเนะนะเวลาเราบอกว่าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ใช่การที่เราไปพยายามไปไปข่มความคิดไปกดความคิดนะเราเพียงแค่การปฏิบัติธรรมคืออ้าคือการตั้งใจที่จะรู้นะรู้ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นนะ กับกรรมฐานที่กำลังทำอยู่เช่นจะดูลมหายใจก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะจะยกมือสร้างจังหวะจะเดินจงกรมนะแล้วก็รู้สึกนะถึงสิ่งที่กำลังทำแต่ไม่ได้เป็นการข่มอารมณ์ข่มความคิดอย่างอื่นขณนะที่เราดูลมหายใจขณะที่เราดูการเคลื่อนไหว ความคิดมันจะเกิดขึ้นมานะมันจะแว บ, บขึ้นมาก็ช่างหัวมันนะก็ปล่อยมันไปนะก็แค่เห็นมันเฉยๆว่ามันเป็นแบบนั้นนะไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะมีกรรมฐานหรือปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อกดข่มความคิดนะแต่เราเพียงแค่ให้เห็นว่าอ๋อกรรมฐานที่เราทำก็ส่วนหนึ่งนะ ความคิดมันก็ผุดขึ้นมาของมันเองส่วนหนึ่งนะเราไม่ให้ท่าเรารู้ทันมันเฉยๆนะไม่ไปคิดต่อความคิดกิเลสต่างๆพวกนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้นะแต่ถ้าเราหลงนะเมื่อให่ที่เราหลงเผลอไปคิดต่อนะหลงไปพอใจนะกับความคิดนั้นๆนะ ก็ไปอินกับมันเราก็หลงไปแล้วนะหรือเมื่อไรที่เรารู้สึกไม่ชอบมันเราไปผมมันนะก็หลงไปแล้วอย่างหนะ้าที่เราคือจามีสตนะิมีสติกับมาเพียงแค่รู้เฉยการรู้เฉยเนี่ยมันจะเป็นการละกิเลสได้นะการรู้เฉยเนี่ยแหละมันจะเป็นการที่ไม่เป็นการไป เพิ่มพูนให้เป็นอัตราเป็นมานะเป็นพบเป็นชาติขึ้นไปเพราะถ้าเราไม่รู้สึกเฉยอ่ะมันมันจะมีผู้เป็นเข้าไปผู้เป็นนะเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราเป็นอัตลักษณ์ของเราอะไรมันจะมีมันจะมีภาษาที่เดี้ยนะแต่โดยรวมคือพอเราไปเป็นละนะมันก็จะ มีสภาวะบางอย่างนะถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะคิดว่า ม, มันเป็นธรรมชาตินะแต่จริงมันคือการเขาหลงเข้าไปละนะแต่ถ้าเรารู้ทันมันจะใจเนะี่ยมันจะรู้สึกใจว่าความคิดหรืออารมณ์พวกนั้นมันมันเป็นเพียงแค่อาการอย่างหนึ่งที่มันเกิดนะเกิดแล้วพอเราไม่ให้ค่านะ มันก็ดับไปนะตอนไหนที่เราหลงไปให้ค่าเราก็ไปเป็นกับมันนะเราก็ฝึกละมันแบบนี้ฝึกรู้ทันมันมบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆนะมันก็จะละนะละกิเลสละความคิดพวกนั้นได้นะความเป็นตัวเป็นตนนะที่มันจะกอ่อพบก่กอชาติมันก็มันก็จะไม่ถูกก่อนะคล้ายๆเหมือนเหมือนเด็กๆเกนาะนะ ที่เล่นกองทรายเนาะเมื่อขึ้นพัดมาดินชัยหาดนะกองทรายนันก็หายไปนะตามขึ้นละตามขึ้นที่พัดนะเอาทรายกลับไปนะความคิดก็เหมือนกันนะพอเรารู้ทันเนี่ยนะมันเหมือนกิเลสกิเลสเหมือนกับกองทรายนะสติเหมือนกับความคิดนะเออสติเหมือนกับ น้ำทะเลนะพอคลื่นมันพัดเข้ามามันก็เกืนกองไฟกับไฟเนะี่ยเป็นปกตินะ่ะจิตก็เป็นเช่นนั้นแนะ่ะนี่แหละเรียกว่าการประพฤติทธรรมเนาะหรือว่าการประพฤติพรหมจรรย์ก็ได้แต่นะเราเพียงแค่รู้นะรู้ในกรรมฐานที่ที่กำลังทำอยู่นะหรือรู้ใน ในการงานที่เราทำอยู่นะที่จริงกรรมฐานก็คือการงานนั่นแหละนะเราทำการงานอย่างใดนะไม่ว่าจะเดินบิณฑบาตไม่ว่าจะชันอาหารไม่ว่าจะปลูกต้นไม้นะไม่ว่าจะทำงานใดก็แล้วแต่อันนั่นแหละงานนั้นแหละคือกรรมฐานนะคือฐานที่จิตเราเข้าไปตั้งอยู่นะแต่ฐานนั้นนะบางทีงาน ข้างนอกนะบางทีมันจะทำให้เราเผลอไปสนใจแต่เรื่องข้างนอกมากเกินไปนะดูเป็นความนะสวยงามดูเป็นความนะให้มันเรียบร้อยภายนอกนะอันนั้นมันก็ต้องมีอยู่บ้างนะแต่เราไม่ลืมดูดูความเคลื่อนไหวนะของด้านกายที่กำลังทำนะ ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินไม่ว่าจะเป็นการขุดดินทางหญ้าไม่ว่าจะเป็นการลนะ้างจานเราก็ไม่ได้รู้ไปแตกงานข้างนอกที่กำลังทำนะแต่เรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายที่กำลังทำไปด้วยนะรวมทั้งรู้ทันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจนะทำไปแล้วมัน พอใจทำไปแล้วไม่พอใจนะมีคนคัดค้านมีคนเห็นตา่านงะเรารู้สึกอย่างไรนะก็กลับมารู้ทันความรู้สึกนะเพราะบางทีงานข้างนอกเนาะที่เป็นสมมุติว่าดีว่าไม่ดีว่าสวยว่าไม่สวยนะนะว่าเหมาะว่าไม่เหมาะบางทีแต่ละคนมัน ต้องยอมรับเลยว่ามันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันไม่มีมันไม่ก็ไม่ใช่ว่าอะไรถูกผิดตายตัวนะแต่เราก็คุยกันคุยกันด้วยด้วยเหตุด้วยผลด้วยการตกลงกันนะแบบสมมุติที่เรียกว่าหาจุดร่วมกันนะหาจุดร่วมที่ที่รับกันได้นะเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้านะกับลูกค้าคนมาซื้อของก็ พ่อค้าแม่ค้าก็ยําหวังกําไรสูงสุดนะคนมาซื้อของก็ยําหวังให้ซื้อราคาถูกที่สุดนะก็ต้องต่อรองกันแหละว่าราคาไหนทีนะ่ลูกค้าพอใจที่พอซื้อได้แม่ค้าพ่อค้าพอใจที่จะขายได้นะก็ก็ต้องนี่แหละก็ต่อรองกันนะก็เป็นธรรมชาตนะิเหมือนเราไปซื้ออย่างเมื่อ วันก่อนก็ไปซื้อต้นไม้ก็ไปต่อรองราคานะเขาให้เท่านี้อ่ะเรารับได้เราก็ซื้อนะซื้อก็ให้มาส่งนะอะไรประมนี้ก็ก็ต่อรองกันนะเวลาเราอยู่สมมุติกับทางโลกอยู่กับคนก็เหมือนกันนะก็ก็ใช้ต่อรองกันเอาเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าผิดถูกตายตัวสมมุติมันไม่เหมือนกันนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอยู่บ้างแม้แต่ยังเรื่อง อย่างพระพุทธเจ้าเนาะแต่และพระองค์เนะีนะ่ยก็เข้าถึงธรรมะตัวเดียวกันนะก็คือเข้าใจอดียรรสัตว์สนะี่คือเรื่องทุกขนะ์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็ทางให้ความดับทุกนะข์ท่านเข้าใจตรงนี้แล้วก็เข้าถึงตรงนี้นะจิตถึงนิพพานนะเหมือนกันแต่พอท่าน ตอนหลังๆพอเกิดมีสาวบกเนะี่เกิดกลายเป็นเหมือนศาสนาขึ้นมาก็เกิดพระวินัยขึ้นนะเรียกว่าเป็นข้อวัดหรือว่าเป็นสิกขาบทนะเป็นวินยัยเป็นศิล ข, ขึ้นมาก็ในแต่ใน พ, พระพุทธเจ้าแต่ทพัพพระองค์ก็บัญญัติพระวินัยแตกต่างกันเพราะว่าในสมมติสมัยนั้นๆ ก็อาจจะมีความที่ว่าคารวาสเขาถืออย่างไรหรือว่ากิจที่สงพึงธรรมมันก็มีข้อที่แตกต่างกันไปบ้างนะก็พระวินัยก็จะไม่เท่ากันนะในในพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็ไม่เท่ากันนะอันนี้ก็เห็นว่ามันก็เป็นสมมตินะแต่ตัวธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่เหมือนกันกนะ็คือเข้ า, ขาใจทุกข์แล้วก็ดับ เหตุแห่งทุกได้นก็ก็เรียกว่าบททุก์ได้เหมือนกันแต่โดยตัววิในที่จะเป็นตัวเหมือนคอยคอยหล่อเลี้ยงเนาะคอยห่อเลี้ยงน่ะมันก็แตกต่างกันไปก็อาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับคล้ายๆอาหารของเราเนา ะ, นะเราทานอาหารเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ธาตุอาหารเพื่อให้ได้กําลังในการใช้ชีวิตน อาหารในแต่ละมื้อนะ่ะมันก็ไม่แตกต่างกันไปนะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าจะทานแต่แบบนี้แหละเรียกว่าครบห้าหมู่แบบนี้แหละเรียกว่าพอดีแล้วนะมันไม่เหมือนกันนะมันก็สามารถคนที่คนที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวที่สามารถก็ก็สามารถปรุงอาหารได้หลายแบบนะแต่ก็เป็น สารอาหารที่เรียกว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นนะแล้วก็เราก็เลือกเอาตามที่เราคิดว่ามันเหมาะกับธาตุของเราอันนี้มันก็เหมือนกับพระธรรมก็มีวินัยนะเป็นตัวประกอบกันนั่นแหละนะถ้าสมมุติเหมือนร่างกายนี้นะเหมือนกับพระธรรมนะพระวินัยนี้ก็เหมือนกับอาหารนะเครื่องที่มาช่วยให้ ร่างกายเนี่ยได้มีกำลังในการขับเคลื่อนไปเนะี่ยตัวธรรมะตัวการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันก็มีมีศีลมีวินยนะัยเนี่ยมันเป็นตัวประกอบเป็นตัวช่วยนะให้ให้เราเตือนตัวเองว่าเอออันนี้มันมันผิดข้อวัดมันผิดวินัยนะ่ะแล้วก็มดเบ้นไปเสียนะแต่บางอย่างวินัยบางอย่างมันก็เป็นข้อที่ ปีกย่อยลงไปนะปีกย่อยลงไปบางอย่างมันก็ไม่ทํามันก็ไม่ได้ว่าเชิงเสียหายเนะี่ยต่อจิตใจโดยตรงหรกมันเป็นสมมติที่ก็แตกต่างกันเฉยๆตามยุคตามสมัยเหมือนอย่างที่เรื่องราวในสมัยสังคยนาครั้งที่หนึ่งอ่นะพอพระอรหันห้าร้อยรูปมาประชุมกันนะ มาคุยกันถึงสิกขาบทห้าร้อยสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิกขาบทเล็กน้อยนะจะจะลดจะละจะปรับเปลี่ยนก็ได้นะได้ประมาณนั้นนะพิสุอรหารทั้งห้าร้อยรูปนะก็มองไปเป็นพวกพวกนะมองเป็นพวกพวกบางรูปก็บอกว่านะให้รักษาไปทั้งหมดเลยนะบางรูปก็บอก 227ข้อนี้รักษาที่เป็นปิกขาบทปีกย่อยก็ละได้เลยนะบางพวกก็ตัดเศษขีวัตออกก็ได้ที่เหลือก็ละพึงรักษาไว้อีก150ข้อ น, น, นบางพวกก็บอกเนี่ยก็เศษขีวัตนิสติกิยาอะไรนั่ก ย, ยก็ตัดได้ไอ้คนนีน้บางพวกก็บอกให้รักษาเพียงแค่เนี้นนน แค่ปราลชิกสี่ที่เหลือเป็นนิกน้อยละได้หมดนะก็แม้แต่พระละหันห้าร้อยรูปที่เป็นองค์ที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในสมัยพุทธกาลนั้นนะนะก็ยังมีความเห็นที่ที่แตกต่างกันได้นะเพราะว่าอะไรท่านมองเห็นว่าพวกนั้นเป็นเรื่องสมมตินะ แต่ตัวท่านเองท่านก็ไม่ได้จะล่วงเกินหรอกนะแต่ท่านก็มองว่า้สมมุติเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้ให้มันถูกนะหรือบางทีมันก็ถือแตกต่างกันบ้างก็ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะบางทีความเห็นความเห็นแตกต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะนะแต่เราจะคุยกันอย่างไรด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเข้าใจกันในะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งในการอยู่ร่วมกันเนาะ อย่างพระอาหารหันต์ทั้งห้ารายรูปท่านอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันเรื่องเรื่องสิขาบนเล็กน้อยนะ่ะอ่ะตกลงกันไม่ได้น่ะนะนะตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาแบบไหนดีสรุปก็เลยเออเพราะนั้นก็เลยรักษาไว้ทั้งหมดนั่นแหละนะรักษาไว้ทั้งหมดก่อนนะ่ะยังไม่ต้องไปตัดออกนะ น, นี่คือเรื่องราวในอดีตนะ แต่ก็คือเรื่องราวในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะบางทีสายวัดป่าเคร่งเราก็รักพยายามรักษาไว้ทั้งหมดนะสายบางสายก็อาจจะหย่อนลงมาบ้างนะก็แตกต่างกันไปตามตามครูบาอาจารย์ที่ท่านท่านสั่งสอนไว้นะแต่ถ้าเราดูจริงๆนะนะ บางทีข้อวัดมันแตกต่างกันแต่ถ้าเราดูจริงๆนะถ้าว่าผู้ที่ประพฤติตนะ่งตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจริงๆนะเราดูทีนะเ่เราอาจจะดูไม่เห็นที่ภายนอกนะแต่เราอาจจะดูดูตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวลักว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรเนาะนะนะเรามีสติไหนะ เราเกิดสิ้นเกิดสมาธิเกิดปัญญานะกับตัวของเราไมนมะอันนี้เป็นตัวข้อวัดนะเป็นตัวที่วัดได้จริงจริงนะมันไม่เกี่ยวกับว่าสายไหนดีกว่ากันนะลางรูปท่านเรียนปริยัตนะิท่านศึกษาธรรมะจากนักธรรมจากบาลีนะหรือจากมหาไยสง์ก็ดีแต่ท่านเอาธรรมะพวกนั้นมาใช้ ในการขัดเกลาจิตใจของท่านนะให้เป็นผู้ที่นะเรียกว่าสำรวมเป็นผู้ที่ละกิเลสเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมาจรรย์อยู่ก็น่านับถือนะนะอย่างตัวอย่างนะชัดๆก็อย่างเช่นท่านเจ้าคุณประยุทธ์อะไร น, นะท่านก็เป็นพระเรียกว่าเป็นพระปริยัตนะแต่ก็เป็นที่เคารพของ ในสายปฏิบัตินะ่ะอย่างเช่นสายหลวงพ่อชาเนี่ยก็เคารพท่านเจ้าคุณประยุทธ์มากเนะหรือพวกเราเองได้อ่านอหรือว่าได้ศึกษาข้อปฏิบัติของท่านแล้วก็นับถือศรัทธาได้เหมือนกันนี่สายปฏิบัตินะที่น่านับถือน่าศรัทธาก็เยอะแต่บางรูปก็อาจจะเสียไปก็มีนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่สายไหนนี่ มันอยู่ที่การประพฤติของแต่ละคนแต่ละท่านนั่นแหละเป็นหลักเนะี่ยเราก็ดูเราก็ดูที่ตัวเราเนาะดูที่ตัวเราว่าเราประพฤตนะิเราได้ขัดเกลบางอย่างออกไปจากจิตใจของเราเนาะอะไรที่เรารู้สึกมันไม่ดีนะคำพูดเนะที่มันไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกกาลเทศนะนี่ยเก็ละเสีย นิสัยอะไรที่เป็นความเคยชินที่เราก็รู้ว่าเออมันไม่เหมาะมันไม่ควรเนีนะ่ยเราก็ละเสียเนะ น, นี่ยมันก็จะส่งผลบางทีเราก็ต้องละจากภายนอกเพื่อฝึกเพื่อฝืนเะนะี่ยเนี่ยภายในด้วยนะนะเพราะบางทีมันก็เผลอไปตามความเคยชินเนะีนะ่ยแต่เราก็ต้องมันก็จะเป็นการฝึกให้เราทันนะเออที่พูดแบบนี้นะ กิเลสมันพาพูดนะที่พูดแบบนี้มันตัวตนของเราออกมานะนเี่มันเราก็จะเห็นตัวนี้ยนมันก็บางทีเราไม่ทันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันเผลอออกไปนมันก็เผลอไปพูดไปแต่ถ้าเราทันมันก็เออมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในคําพูดในการกระทําในกิริยาต่างๆของเรานน呐 ก็เป็นการฝึกนะดังนั้นให้เราใช้ทุกโอกาสเนาะในการฝึกนะไม่ว่าจะอยู่คนเดียวในการต่อพืชปฏิบัติธรรมในรูปแบบก็ดนะีหรืออยู่กับหมู่กับคณะนะอยู่กับการงานก็ดีนะมันเป็นโอกาสที่เราได้ฝึกทั้งนั้นเลยนะถ้าเราอาศัยรูปแบบอาศัยการงานตรแนี้เป็นตัวฝึกนะทุกวันทุกเวลาที่เรา ยังมีชีวิตอยู่เนาะเราก็จะได้ประพ p e r s i s รย์ c น e ะให้ดีที่สุดนะได้ทำประโยชน์ตนะประโยชน์ตนก็คือการศึกษานะศึกษาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็จิตใจนีนะนะ้ศึกษาจนห้นเกิดปัญญาจนทั้งหลุดพ้นนะนี่คือประโยชน์ตน ได้ทำประโยชน์ท่านนะก็คือเป็นกันญาณมิตรซึ่งกันและกันเนะเป็นเพื่อนที่คิดดีหวังดีต่อต่อกันและกันนะนี่คือกัญญาณมิตรหรือว่าถ้าบางคนนะเป็นครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนนะลุกสิตนะหรือบางคนก็เราก็ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ด้ยการทําการงานนะวันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะเราทําทั้งประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ท่านนะด้วยความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่แหละคือสิ่งที่ที่มีค่ามากเนาะวันเวลาในแต่ละวันที่มันผ่านไปมันก็จะไม่ผ่านไปอย่างเสียประโยชน์นะแต่เหมือนคล้ายๆเราได้ใช้ประโยชน์มันคุ้มค่าที่สุดนะนะคล้ายๆเหมือนกับนะ เช่นสมมุติบางคนนะนะอันนี้สมมุตินะเช่นสัตว์ตายนะสัตว์ตายเราก็เอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเอาอะไรทุกอย่างของเขามาใช้ใเกิดประโยชน์ที่สุดนะเนื้อก็เอามากินหนังก็เอาอาจจะไปทําเป็นเครื่องนุ่มโฮมกระดูกก็อาจจะไปทําเป็น ประโยชน์ใช้ต่ยอยังอื่นอันนี้คือสมมุตินะหรือว่าเราปลูกพืชปลูกผักนะต้นไม้นะมันก็มีประโยชน์หลายอย่างกิ่งก้านใบนะรากผลนะก็เอาไปใช้ประโยชน์ในแต่ละแบบกันอันนี้คือชีวิตของเราก็เหมือนกันนะเราก็ใช้ประโยชน์ทำมันให้มันดีที่สุดเนาะเมื่อวันเวลาที่ความ แก่ความตายมาถึงเราจะได้ไม่คลายไม่เสียใจเนาะหรือว่าไม่รู้สึกร้อนใจนะผมยังจําที่หลวงพ่อท่านเขียนได้นะตอนที่หลวงพ่อท่านรู้สึกรู้ว่าท่านอาพาธนะแล้วก็ดูแล้วว่าท่าทางคงจะรักษายากหรือรักษาไม่ได้นะท่านก็เขียนท่านก็บอกเรานะว่าเออชีวิตเนะี่ย ที่ผ่านมาเ น, เนี่ยสิ่งที่ได้ทำก็เหมือนทำเสร็จแล้วเนาะท่านก็คงหมายถึงกิจส่วนตนของท่านนะกิจส่วนตนที่ท่านได้ทำนในการประพฤติทำเนี่ยท่านก็ได้ทำจบแล้วประโยชน์ที่ได้ทำกับผู้อื่นสร้างวัดสร้างวาสอนผู้สอนคนปลูกต้นไม้ช่วยชุมชนก็กทำเยอะแล้ว ทำมากแล้วสมบูรณ์แล้วนะวัดก็สร้างมาหลายวัดแล้วนะคล้ายๆพอทําเช่นนี้แล้วก็เหมือนไม่มีห่วงไม่มีภาระอะไรพร้อมที่จะตายนะจะตายก็ได้นะจะอยู่ก็ได้นะไม่วันไหวนะไม่เสียดายที่ชีวิตนี้ได้ได้ทําสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าแล้วเนะี่ยพอเออ นี่แหละก็เป็นชีวิตที่พอเราได้เห็นตัวอย่างหลวงพ่อท่านทํมาเนี่ยเราก็อืชีวิตของของพวกเราของตัวเองก็ดีนะหรือว่าคิดว่าของคนอื่นก็ดีถ้าเราได้ทำอย่างหลวงพ่อนะได้เดินตามหลวงพ่อเนี่ยมันก็มันก็มันก็ดีมากๆนะพอวันหนึ่งที่ความแก่ความเจ็บและความตายมาเยือนเราก็จะได้รู้สึกไม่เสียดาย ไม่อะไรเอาบอลไม่ห่วงไม่กลัวนะก็ให้เราทำวันเนี้ยให้มันดีที่สุดนะแล้ววันนี้ที่ดีที่สุดของเรามันก็จะเป็นอดีตที่ดีนะที่เราไม่เสียใจนะมอถึงวันสุดท้ายก็จะได้ไม่กลัวไม่กังวลอะไรนะก็ฝากไว้นะ